สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษพระธรรมหนึ่งพงกษในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่9ครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของความยิ่งใหญ่และความตกต่ำของโซโลมอนและการปรากฏขององค์พระวิญญาณเจ้าพระยาเวกับโซโลมอน เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1นะครับจนถึงข้อที่9โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อโซโลมอนทรงสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระราชวังและสิ่งอื่นๆทั้งหมดเสร็จตามที่ประสงค์แล้วองค์หุ่นเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนเป็นครั้งที่สองเหมือนที่ได้ปรากฏมาแล้วที่ิเบโอนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโซโลมอนว่าเราได้ยินคําอธิษฐานและคําวิงวอนของเจ้าต่อเราแล้ว เราได้ชำระวิหารที่เจ้าสร้างขึ้นนี้ให้บริสุทธิ์โดยสาปนานามของเราไว้ที่นั่นชั่วนิรันดร์ตาและใจของเราจะอยู่ที่นั่นเสมอไปส่วนเจ้าหากเจ้าดำเนินอยู่ต่อนหน้าเราด้วยใจซื่อสัตย์สุจริตและชอบธรรมเหมือนอย่างดาวิดราชบิดาของเจ้าทำตามคำมัญชาทั้งสิ้นของเราและรักษากฎหมายกับบทบัญญัติของเรา เราก็จะสละปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลตลอดไปตามที่เราได้สัญญาไว้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ขาดคนครองบัลลังก์อิสราเอลเลยแต่หากเจ้าหรือลูกหลานของเจ้าละทิ้งเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาและกฎหมายที่เราได้ให้แก่เจ้าหันไปปฏิบัตินามสการพระอื่นๆเราก็จะตัดอิสราเอลออกจากดินแดนซึ่งเราได้ยกให้เขา เราจะทิ้งวิหารแห่งนี้ซึ่งเราได้ชำระให้บริสุทธิ์เพื่อนามของเราอิสราเอลจะกลายเป็นที่เย้ยหยันและคำเปรียบเปรยในหมู่ประชาชาติถึงแม้ว่าบัดนี้วิหารจะตั้งเด่นตระานคนทั้งปวงที่ผ่านไปมาก็จะตกตะลึงและจะเยาะเย้ยว่าทำไมเนอองค์พระบุญเจ้าจึงทรงกระทําต่อวิหารและดินแดนนี้ถึงเพียงนี้ผู้คนจะตอบว่า เพราะพวกเขาได้ละทิ้งพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาผู้ทรงนำบรรพบุรุษของพวกเขาออกจากอียิปหันไปฝักไฟปฏิบัตินมัสการพระอื่นๆแทนดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงนำเหตุร้ายทั้งหมดนี้มาสู่พวกเขาพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้า9้าข้อในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากที่สุด นั่นก็คือเป็นพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นพันธสัญญาหรือค ove นนที่ผมได้เคยเล่าให้พี่น้องฟังมานานหลายครั้งทีเดียวพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏกับกับโซลมมนเป็นครั้งที่สองครั้งแรกปรากฏอยู่ที่กีเบโอนครับก็เป็นเรื่องราวเดียวกัน ก็คือว่าพระเจ้าได้เตรียมพระพรของพระเจ้าเตรียมสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญญาจากหัวใจขององค์พระบุญเจ้าให้มาถึงประชากรของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำประชากรของพระองค์ก็คือกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับสัญญานี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสัญญานี้เสมอต้นเสมอปลายสัญญานี้เป็นยังไงในอดีตปัจจุบันก็เป็นอย่าง เดียวกันและอนาคตก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตในเช้าวันนี้ก็คือว่าหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรารับพระสัญญาพระเจ้าได้ทรงสัญญาลงไปลึกมากและไกลามากทีเดียวในอนาคตก็คือว่าหากว่าลูกหลานของเขาซึ่งจะได้รับพรนั้นรักษาบัญญัติพี่น้องครับนั่นคือเงื่อนไขครับ ลูกหลานของเราหากรักษาบัญญัตนินี้รักษาสัญญานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าอวยพรมากมายมหาศาลครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นนึกว่าเราไม่มีต้นทุนพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าหากว่าบรรพบรุษของเราเป็นบรรพบรุษแห่งความเชื่อเรามีต้นทุนที่พระเจ้าให้กับเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะใช้ต้นทุนนี้ ที่เราเรียกว่าต้นทุนแห่งความเชื่อความศรัทธาต้นทุนแห่งการยกย่องนมัส ก, การพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์เดียวไม่หันไปนำ้ำมศการพระอื่นไม่ละทิ้งความเชื่อความศรัทธาของเขาต้นทุนนี้จะยังคงอยู่และทําให้ชีวิตของลูกหลานของเรานั้นได้รับพระพรยิ่งใหญ่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่นั้นครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ หากว่าเราดำเนินต่อหน้าพระเจ้าด้วยใจซื่อสัตย์สุจริตชอบธรรมเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าหากเจ้าทำตามคำบัญชาทั้งสิ้นของเรารักษากฎหมายของเรารักษาบทบัญญัติของเราเราก็จะสาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสอราเอลตลอดไปตลอดไปตามที่เราได้สัญญาไว้เจ้า และวงวานของเจ้าจะไม่ขาดคนครองบัลลังก์อิสราเอลเลยพี่น้องครับเพี่น้องครับเราจะเห็นประเด็นสําคัญที่อยู่ที่นี่นะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทําอะไรกับโซโลมอนเมื่อโซโลมอนได้อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าในบทที่8พี่น้องครับเมื่อโซโลมอนได้อธิษฐาน วิงวอนได้อธิษฐานถวายพระวิหารกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ต่อด้วยคําสัญญาของพระองค์นั่นเป็นประเด็นแล้พี่น้องครับหากเปรียบเทียบกับชีวิตของเราและนํามาใช้เราจะรู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานถวายตัวเองซึ่งตัวงเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอธิษฐานถวายตัวของเรากับพระเจ้าพระเจ้านั้น ได้นำเราเข้าสู่พระสัญญาของพระองค์ครับและคําสัญญาหรือพันธสัญญาของพระองค์นั้นเป็นพันธสัญญาแห่งการดูแลแห่งการที่พระเจ้านั้นจะทรงดูแลผู้รับใช้ที่พระเจ้าได้เรียกเขาออกมางานต่างๆที่เราทำถวายแต่พระเจ้านั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเราเข้าอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าครับประการที่2ประเด็น ที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้าได้กล่าวว่าพระองค์จะทรงประทานพงพันครับพระองค์จะทรงประทานพงพันที่จะได้รับพ่พนเช่นเดียวกันกับโซโลมอนนั่นหมายความว่าหากว่าพงพันนั้นเขารักษาพันธสัญญาพรอนที่ได้กับโซโลมอนก็จะตกอยู่กับพงพันของโซโลมอน พงพันธ์ของกษัตริย์ดาวิดพี่น้องรับเราสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันครับหากเราสอนลูกของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางนั้นและเขาจะได้รับพระพรเหมือนกับที่เราได้รับพระพรประเด็นที่สครับพระเจ้าได้ทรงกล่าวล่วงหน้าไว้ว่าหากพงพันธุ์ของเจ้าไม่รักษาพันธสัญญาของเรา พระเจ้าจะทำสามอย่างครับ 1. พระเจ้าจะทำให้พวกเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยและแพ้สงครามประการที่สองพระเจ้าจะละทิ้งพระวิหารของพระองค์ประการที่สพระเจ้าจะทำให้ชนชาติอิสราเอลนั้นตกเป็นขี้ปากของชาวต่างชาติพี่น้องครับนั่นคือ สิ่งที่พระเจ้าจะทำและพระเจ้าทำครับเมื่อพวกเขาได้หล่นพ้นจากสัญญานี้คือพวกเขาไม่รักษาสัญญาในการที่ได้ถวายบูชานามัสการพระอื่นๆที่ไม่ใช่พระเยาวว่าพระเจ้าผู้เที่ยงแต้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงห่วงแหน以色列มากครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าสาวของพระเจ้านั่นหมายความว่า พระเจ้าได้ทรงรักประชากรของพระองค์อย่างที่สุดแต่ประชากรของพระองค์นั้นกระบฏต่อพระองค์ประชากรของพระองค์นอกใจพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องเรามาระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้ในลูกหลานของเราอย่าลืมนะครับว่าเรามีต้นทุนครับลูกหลานของเราก็มีต้นทุนต้นทุนนั้นคืออะไรครับความเชื่อความศรัทธาหากเขารักษาไว้ได้ พี่น้องครับหากเขารักษาไว้ได้และดำรงไว้ซึ่งความเชื่อความศรัท ธ, ธาพระพรของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขามากมายทวีคูณขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะให้ลูกหลานของเรานั้นได้ดำรงอยู่ในความเชื่อความศรัท ธ, ธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขานมัสการพระเจ้าองค์เดียวครับส่งต่อความเชื่อของเราให้กับพวกเขาเพื่อพวกเขานั้นจะได้รับพระพรจะไม่กลายเป็นขี้ปาก และก็จะได้ดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์หรือพงพันธุ์แห่งความเชื่อความศรัท ธ, ธาตลอดไปอาเมน